ข้อควรศึกษาให้ยิ่งขึ้นไปข้อที่6กกรรมในระดับสังคมหรือกรรมของสังคมมีหรือไม่บางทีมีการตั้งข้อสงสัยหรือถึงกับถกเถียงกันว่ากรรมของสังคมหรือกรรมในระดับสังคมมีหรือไม่บางคนเห็นว่ากรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลกรรมของใครก็ของคนนั้น ใครทำใครได้กรรมจึงมีแต่ในระดับบุคคลเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นกรรมของสังคมหรือกรรมในระดับสังคมจึงไม่มีคำพูดทำนองนี้บางทีก็เป็นการพรางตาตัวเองหรือถึงกับหลอกตัวเองในการพิจารณาเรื่องนี้อาจจะไม่ต้องตอบคำถามแต่ยกหลักมาแสดงและให้ผู้ถามหรือผู้สงสัย ตอบคำถามหรือแก้ข้อสงสัยของตนเองกรรมคืออะไรทุกคนตอบได้ว่ากรรมคือการกระทาหรือให้ชัดขึ้นว่ากรรมคือการกระทาที่เกิดจากเจตนาหรือจอําพาะลงไปเลยตามพุทธพจน์ว่ากรรมคือเจตนาหรือเจตนาเป็นกรรมในแง่บุคคลใครทำกรรม คือเป็นเจ้าของเจตนาก็เสวยผลของกรรมคือผลของเจตนานั้นตรงนี้เห็นได้ว่าเฉพาะตัวน้ำในแก้วน้ำใบ น, ใบนี้ใส่สีแดงลงไปน้ำในแก้ว น, น้ำใบนี้ก็มีสีแดงในใบน้นใส่สีเขียวก็มีสีเขียวในใบโน้นของใครของมันทีนี้มองกว้างออกไปหรือพูดอย่างเป็นกลางๆว่า มนุษย์นี้่างจากวัตถุสิ่งธรรมชาติทั้งหลายอื่นทั่วไปตรงที่มีการกระทาและการกระทาของเขานั้นเกิดจากเจตนาหรือเป็นไปตามเจตจำนงเรื่องราวของมนุษย์ทุกอย่างตัดแต่งเสื้อผ้าสร้างบ้านสร้างเรือนเป็นชาวนาเป็นกรรมกรมีอาชีพต่างๆจนสร้างบ้านสร้างเมืองและอื่นๆเป็นเรื่องที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์เกิดจากเจตจำนงของมนุษย์ เริ่มหรือตั้งขึ้นมาจากเจ็ดจำนงของคนเป็นไปตามเจตดจำนงของคนที่ภาษาพระเรียกว่กรรมเรื่องของมนุษย์ที่มนุษย์ทำขึ้นมานี้มากมายเต็มไปทั่วจนพูดกันว่าโลกของมนุษย์หรือสังคมมนุษย์แต่รวมแล้วโลกของมนุษย์นั้นก็คือโลกแห่งการกระทาของมนุษย์โลกของกรรมหรือโลกแห่งเจดจำนง ที่เจตนาของมนุษย์จัดสรรปั้นปรุงหรือสร้างสรรค์ขึ้นมาโลกของมนุษย์นั้นจึงเป็นโลกของกรรมพูดง่ายๆว่าการรมเป็นเรื่องของมนุษย์เรื่องของมนุษย์ก็คือกรรมว่าเป็นกลางๆไม่ต้องไปจํจำกัดหรือแยกว่ากรรมของบุคคลหรือกรรมของสังคมว่ากรรมในระดับบุคคลหรือในระดับสังคมแทนที่จะแยกอย่างนั้น ควรจะแยกกรรมที่เป็นเรื่องของมนุษย์ต่างออกไปจากเรื่องของพืชเรื่องของวัตถุหรือสิ่งแวดล้อมเป็นตน้นกรรมที่เป็นเรื่องของมนุษย์นี้มองเป็นกลางๆอย่างนี้ก็เห็นตั้งแต่บุคคลขึ้นไปถึงทั้งสังคมทั้งโลกเหมือนอย่างที่พูดว่าแต่ละบุคคลมีชีวิตของตนของตนแล้วบุคคลทั้งหลายมาอยู่ร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันก็เป็นสังคมขึ้นมาเอง ข้อนี้ฉันใดกรรมที่เป็นวิถีชีวิตของบุคคลเมื่อบุคคลทั้งหลายมาอยู่ร่วมกันก็ทำกรรมต่อกันและทำกรรมด้วยกันก็เกิดเป็นกรรมที่เป็นวิถีของสังคมขึ้นมาเองนี่ก็ฉันนั้นกรรมที่เป็นของเฉพาะตัวบุคคลก็มีและพอมองกว้างออกไปเป็นกลางๆงกรรมก็เป็นเรื่องของมนุษย์เป็นตัวการที่สร้างโลกของมนุษย์ขึ้นมา ไม่ต้องไปแยกว่าเป็นกรรมในระดับบุคคลหรือกรรมในระดับสังคมนอกจากเพื่อความสะดวกในการศึกษาพิจารณาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านเป็นเกษตรกรทำมาหากินกันด้วยความขยันหมั่นเพียรอยู่กันมาเป็นปกติสุขต่อมานักพนันชนไก่ที่เชี่ยวชาญคนหนึ่งเข้ามาเยี่ยมหมู่บ้าน นำศิลปะของตนมาแสดงและเผยแพร่ชักชวนคนไหนชื่นชอบเชื่อถือคือมีเจตนารับเอามาทําตามก็เป็นกรรมของคนนั้นและเขาก็จะได้รับผลกรรมของตนเป็นเรื่องเฉพาะตัวของเขานี่มองแค่ตัวคนนั้นเป็นบุคคลแต่มองกว้างออกไปปรากฏว่าต่อมาไม่นานหัวหน้าครอบครัวแทบทั้งหมู่บ้านนั้นชื่นชอบเชื่อตาม เล่นพนันชนไก่กันทั่วสนุกสนานกันมากไม่เป็นอันธรร ม, มาหากินชาวบ้านที่เชื่อและทาตามแต่ละคนก็ได้รับผลกรรมของตัวไปแต่เมื่อมองกว้างทั้งหมู่บ้านนั้นปรากฏผลรวมว่าชาวหมู่บ้านนั้นมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปมีการดื่มสุรามีการลักขโมยมากเป็นต้นแล้วความเจริญความเสื่อมทุกสุขก็ตามมาแก่คนหมู่บ้านนั้น สภาพของหมู่บ้านนั้นแม้แต่สภาพแวดล้อมดินน้ำลมไฟก็เปลี่ยนไปอย่างนี้คือกรรมเป็นเรื่องของคนหรือเรื่องของโลกมนุษย์เป็นของบุคคลหรือของสังคมก็เห็นได้เองและในด้านหลักธรรมเมื่อมองให้กว้างปัจจัยาการก็ถึงกันหมดเองเป็นธรรมดาชาวพุทธไทยจํานวนมาก เคยได้ยินพุทธพจน์ว่ากามุนาวัตตีโลโกแลว่าโลกเป็นไปตามกรรมบางทีก็ยกมาพูดมาอ้างกันแต่มักไม่ดูความหมายให้ชัดโลกในพุทธพจน์นี้ก็คือสังคมมนุษย์ทีนี้โลกมนุษย์หรือสังคมมนุษย์นี้เป็นไปตามกรรมอย่างไรพุทธพจน์นี้มาในวาเสตสูตร ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักกรรมเพื่อหักล้างระบบวันนะของรามรามีลัทธิว่ า, ราพระพรหมทรงสร้างโลกและจัดสรรทุกอย่างมาเสร็จสำหรับสังคมมนุษย์ทรงกำหนดให้คนแยกเป็นสีวันนะคือกษัตริย์รามแพทย์สูตรอย่างที่รู้กันเกิดมาในวันนะไหนก็ต้องอยู่ในวันนะนั้นจนตายเปลี่ยนแปลงไม่ได้ พระพุทธเจ้าทรงคัดค้านลัทธิพราหมณ์นั้นโดยตรัสว่าโลกมนุษย์หรือสังคมมนุษย์นี้เป็นไปตามกรรมกรรมในที่นี้ทรงเน้นกรรมที่คนทําเป็นประจำจนเป็นวิถีชีวิตของคนแล้วก็เป็นวิถีของชุมชนกลุ่มชนนั่นก็คือกิจาการงานอาชีพคำว่ากรรมในภาษาบาลี บ่อยมากหมายถึงการงานอาชีพความเป็นไปของมนุษย์ในสังคมอย่างนี้แหละที่ตรัสว่าโลกเป็นไปตามกรรมคือโลกไม่ได้เป็นไปตามที่พระพรมสร้างและไม่ใช่ว่ากำหนดมาให้เป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นตายตัวโลกหรือสังคมนี้เป็นไปตามกรรมคือการกระทำเช่นการงานอาชีพ ที่คนมีเจตจำนงเลือกประกอบหรือจัดทำรรพุทธพจน์ในวเสตสูตรตรงนี้ได้ยกมาอ้างบ่อยแต่เป็นการอ้างยิงเพื่ออธิบายในต่างแง่ความหมายหรือไม่ก็เป็นการเน้นยำ้ำข อ, อนำมาแสดงณที่นี้ด้วยดังนี้ดูก่อนวเสษถะท่านจงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ผู้ใดอาศัยโคลักกรรมเลี้ยงชีพ ผู้นั้นเป็นชาวนามิใช่พราหมณ์ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยศิลปะต่างต่างผู้นั้นเป็นศิลปินผู้ใดอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นพ่อค้าผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วยการรับใช้ผู้อื่นผู้นั้นเป็นคนรับใช้ผู้ใดอาศัยการลักทรัพย์เลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นโจรผู้ใดอาศัยสอนและสัตราเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นทหารอาชีพ ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยหน้าที่ปุโรยิตผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่การบูชาหาใช่พรามไม่ผู้ใดปกครองบ้านเมืองผู้นั้นเป็นราชาหาใช่พรามไม่เราเรียกคนที่ไม่มีกิเลส้างใจไม่มีความถือมั่นว่าเป็นพรามคนไม่ใช่เป็นพรามเพราะชาติกำเนิดแต่เป็นพรามเพราะกรรมไม่เป็นพรามก็เพราะกรรม เป็นชาวนาก็เพราะกรรมในวงเล็บการงานอาชีพความประพฤติการดำเนินชีวิตเป็นศิลปินเป็นพ่อค้าเป็นคนรับใช้เป็นโจรเป็นทหารเป็นปุโรหิตและแม้แต่เป็นราชาก็เพราะกรรมบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นปฏิจจสมุปบาทฉลาดในกรรมและวิบากย่อมมองกรรมตามเป็นจริงอย่างนี้โลกย่อมเป็นไปเพราะกรรม หมู่ประชาย่อมเป็นไปเพราะกรรมเป็นอันว่าตามหลักพุทธธรรมสังคมปรากฏตัวและเป็นไปตามกรรมคือการงานกิจการอาชีพที่คนทำและวิถีชีวิตที่ดำเนินไปตามนั้นไม่ใช่เป็นวันนะตามชาติกำเนิดอย่างที่พรามบอกว่าพระพรหมกาหนดจัดสรรบรรดานมาดังที่กล่าวแล้วว่า หลักกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักปฏิจจสมุปบาทและในบทที่ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทที่ผ่านมาแล้วก็ได้อ้างยิงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทตอนที่เป็นปัจจัยาการแห่งการเกิดขึ้นของปัญหาความชั่วร้ายในสังคมไว้ด้วยอา จ, จเรียกว่าปัจจญการแห่งทุกข์ของสังคมก็ได้แต่ทั้งนี้ก็เป็นการตัดแยกออกมาดูเพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรื่องราว ในความเป็นจริงปัญหาความทุกข์ของชีวิตและปัญหาของสังคมก็คือปัญหาของมนุษย์หรือปัญหาที่เกิดจากมนุษย์นั่นเองซึ่งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องอันเดียวกันจากปัญหาในชีวิตของบุคคลก็ขยายกว้างต่อออกไปเป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกันหรือปัญหาสังคมแล้วก็เป็นปัจจัยพกพันต่อกันได้ท่านไม่แยกเป็นต่างระบบคนละระดับต่างหากกัน นอกจากนี้พึงทราบว่าในบรรดากรรมสามอย่างคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนกรรมเป็นกรรมที่มีผลยิ่งใหญ่ที่สุดและในมโนกรรมนั้นที่เด่นทรงเน้นมากคือทิฏฐิอันได้แก่แนวคิดทฤษฎีความเชื่อลัทธิศาสนาและอุดมการทั้งหลาย จากเจ้าลทัทธิเจ้าทฤษฎีเป็นต้นที่สั่งสอนเผยแพร่มีคนเชื่อถือเห็นตามยอมรับสมาทานเอาไปปฏิบัติขยายอกอกไปออกไปสามารถบันดาลให้เกิดเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เป็นกันมามากมายเห็นได้ชัดว่าหมู่ชนไม่ว่าระดับไหนถูกขับเคลื่อนด้วยแนวคิดความเชื่อจนกระทั่งเป็นอริยธรรม ก็มีทิฏฐิเป็นตัวขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังและสังคมมนุษย์ก็ได้รับผลดีผลร้ายไปตามมโนโกรรมที่สมท า, านกันนั้นทั้งที่ทิฏฐิเป็นโมนโนกรรมอยู่ในใจแต่มีอิทธิพลต่อสังคมแสดงผลต่อโลกนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดดังที่อาจจะอ้างพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายเอกบุคคลเมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เกื้อกูลไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นนันมากเพื่อความพิราธมีใชยประโยชน์เกิดขึ้นเพื่อความทุกข์แก่เทวและมนุษย์ทั้งหลายคือเอกบุคคลอย่างไหนได้แก่เอกบุคคลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีทัศนวิปริศเขาพาพระหูชนออกไปจากสัตยธรรมแล้วให้ตังอยู่ในอสัตธรรมภิกษุทั้งหลายเอกบุคคล น, นี้และเมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความพิราษไม่ใช่ประโยชน์เกิดขึ้นเพื่อความทุกข์แก่เทวและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเอกบุคคลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวและมนุษย์ทั้งหลายคือเอกบุคคลอย่างไหน ได้แก่เอกบุคคลที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีทัศนะไม่วิปริตเขาพาพระหูชนออกจากอสัตธรรมแล้วให้ตั้งอยู่ในสัตธรรมภิกษุทั้งหลายเอกบุคคล น, นี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกยอมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พระหูชนเพื่อประโยชน์สุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อให้สะดวกสำหรับคนทั่วไปอาจจะวัดผู้นำแนวคิดและเจ้าลทัทธิเป็นต้นนั้นด้วยผลการกระทาดังพุทธพจน์สแสดงลักษณะของมหาบุรุษที่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พระหูชนเพื่อความสุขแก่พระหูชนทำให้ประชาชนดำรงอยู่ในทางดำเนินแห่งอาริยชนกล่าวคือความามีกัลยาณธรรมความมีกุศ ล, ลธรรม ข้อนี้สอดคล้องกับคติพระพุทธศาสนาที่อ้างกันอยู่เสมอว่าพหูชนะอิตายะพหูชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะกล่าวคือเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พหูชนเพื่อความสุขของพหูชนเพื่อเกื้อกาวรุนแก่ชาวโลกมองย้อนทวนความอีกครั้งหนึ่งว่า กรรมเป็นเรื่องของมนุษย์หรือพูดให้ถูกต้องกว่านั้นว่ากรรมนี่แหละเป็นของมนุษย์เรื่องของมนุษย์หรือสิ่งที่เป็นของมนุษย์ก็คือความคิดคำพูดและการเคลื่อนไหวทำการทั้งหลายของเขาจึงพูดว่าเรื่องของมนุษย์ก็คือกรรมหรือมีแต่กรรมเท่า น, นั้นเองนอกจากนี้แล้วแม้แต่ที่มาเกี่ยวข้องกับมนุษย์รวมทั้งในตัวเขาเองด้วย ก็เป็นเรื่องของกฎธรรมชาติด้านอื่นที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆคำที่มีใครพูดว่ากรรมของสังคมนั้นมองให้ชัดก็เป็นคำพูดที่ลวงความคิดเราไม่ควรพูดอย่างนั้นเราพูดได้แต่ว่ากรรมของมนุษย์แล้วก็แยกเอาว่าเป็นกรรมด้านบุคคลและเป็นกรรมด้านสังคม หรือกรรมที่ออกผลแก่บุคคลและกรรมที่ออกผลแผ่ขยายออกไปปรากฏเป็นสภาพของสังคมเมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันที่เรียกว่าเป็นสังคมเนื้อหาสาระความเป็นไปส่วนใหญ่ในสังคมนั้นก็คือการกระทำหรือกรรมของมนุษย์ในการติดต่อเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในหมู่ของพวกเขาเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย เมื่อผลเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันความเป็นไปของมนุษย์เหล่านั้นหรือสังคมของเขาจึงเป็นไปตามกรรมที่พวกเขาทำนั้นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกเป็นไปตามกรรมหรือสังคมเป็นไปตามการกระทาของมนุษย์ที่เขาเกากความคิดการพูดการเคลื่อนไหวทำการทั้งหลายขึ้นมาทาอย่างไร ก็ได้ผลตามเหตุปัจจัยที่เป็นไปนั้นดังได้กล่าวแล้วว่าตัวแท้ของกรรมก็คือเจตนาหรือเจตจำนงของคนโลกคือสังคมมนุษย์จึงเป็นโลกของเจตจำนงที่เจตจำนงของมนุษย์ปรุงปั้นจัดแต่งขึ้นมากรรมแรกหรือกรรมหลักที่เจตจำนงของมนุษย์ อาศัยปัญญากำหนดขึ้นเพื่อสนองความมุ่งหมายในการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กันของหมู่มนุษย์ก็คือการจัดตั้งสมมุติอันได้แก่การวางข้อตกลงรู้ร่วมในการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กันนั้นด้วยเจตจำนงที่มีปัญญาส่องทางให้นั้นมนุษย์ก็สามารถเข้าไปร่วมเป็นปัจจัยเอกในกระบวนการทั้งหลายแห่งเหตุปัจจัยของธรรมชาติ เพื่อผันเบนกระบวนให้ออกผลมาอย่างที่ตนปรารถนาเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการระบบสมมุติอันเป็นสาระของสังคมที่พวกเขาตั้งวางขึ้นพูดสั้นๆว่าปัญญารู้ธรรมะคือความจริงที่เป็นธรรมดาของธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติแล้วเจตนาแห่งกรรมนิยามก็นำความรู้นั้นมาวินยัย คือจัดตั้งวางกำหนดจัดสรรระบบสมมุติของสังคมให้เป็นไปตามจำนงและได้รับผลเป็นไปตามขีดระดับของปัญญาและคุณภาพของจิตที่ประกอบเจตนานั้นนี่คือเข้าสู่การบรรจบประสานของระบบแห่งธรรมะของธรรมชาติกับระบบแห่งวินัยต่อสมมุติของมนุษย์เฉพาะอย่างยิ่งกรรมนิยามกับสมมตินิยาม กรรมของมนุษย์ที่เข้าถึงธรรมะและวินัยนี่หละจึงจะสร้างอริยธรรมที่แท้ให้แก่โลกได้คนกลุ่มหนึ่งอยู่ในตำแหน่งหน้าที่สาธารณะเขาร่วมกันทำงานที่เรียกว่าของสังคมด้วยเจตนาหาผลประโยชน์ส่วนตัวอีกบุคคลหนึ่งดำเนินชีวิตไปตามปกติของเขาไม่อยู่ในวงงานสาธารณะใดๆ เขามุ่งทำการต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในกรณีอย่างนี้ถ้าเข้าใจเรื่องกรรมของมนุษย์แล้วก็คงบอกได้เองว่าอันไหนเป็นกรรมของบุคคลอันไหนเป็นกรรมของสังคมหรือกรรมด้านบุคคลและกรรมด้านสังคมอยู่ตรงไหน